ทรงปลารบพวกภิกษุณีฉับพัคขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพัคขีออกปากขอน้ํามันมาฉันในปาติเทศนียสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสี่สมุดฐานละ